ต่อไปนี้เป็นการบรรยายพระวินัยเรื่องปริวาสโดยพระอาจารย์มหาสมพธ์กิจยาสารโรบรรยายเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2537ถึงวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2537ที่วัดสมเด็จธรรมปาราราม ตำบลควรลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโทร074 251372ขอเชิญรับฟังนะครับเรื่องปริวาสนะครับเกี่ยวกับปริวาสปริวาสนี่คงผมคงจะสอนตามลำดั บ, บ, บของของในสมันตะนะครับเพราะในในพระไตรปิฎกนี่ซ้ำๆๆคือมันมันละเอียดเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินครับ คือมีตัวอย่างมากอะองนู้นองนี้องนี้องนั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกครั้งเลยบอกทุกครั้งซ้ําๆแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเยอะนี่ปริวาสเป็นพึ่งๆเลยยังปริวาสอยู่เลยนี้มากมายเนะครับปริวาสแต่ในในสมัญตะเขาจะยกออกมาเอามาสรุปให้ดูนะครับปริวาสผมคงคงไล่ตามลําดับของของสมัญตะนะครับไล่ตามลําดับของสมัญตะแต่บางครั้งจะเอาในนี้บ้าง อผมหาเล่มบาลีตรงนี้ไม่เจอเลยเอาเล่มภาษาไทยมาขึ้นต้นมาท่านท่านกล่าวถึงท่านไม่ยังไม่ยังไม่บอกก่อนว่าบริวารมีเท่าไหรหรืออะไรอะไรเท่าไหร่ท่านยังไม่บอกก่อนขึ้นต้นมาก็ทั้งบาลีทั้งอังกฤษนะครับขึ้นต้นมาก็ในในบาลีก็เอาเลยพิคโหยดกันเลยว่าทําไมพิคสูผู้อยู่ปริวาถึงยินดียินดีการรับใช้นะครับยินดีการกราบไหว้ การลุกลาบการกระทําอัญเฉลีการทําสามีจิกรรมการให้นําเสสนะมาการนําที่นอนมาการล้างเท้าการนําสั่งล้างเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าอะไรรับบาดรับจี่วรถูหลังเวลาอาบน้ําของประกตตาศตระหนี้ก็โจลกันอย่างนี้เลยผู้เจ้าก็ตัดห้ามห้ามภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงยินดีในการกราบว่าการกระทําอัญเฉลีสามีจิกรรมอะไรพวกนี้จนถึงการถูหลังแต่อนุญาต ไม่ยินดีในที่นี้อัตถกาถาจะแก้นะครับคําว่ายินดีในที่นี้คือไม่ห้ามนั่นเองครับไม่ไม่ใช่หมายถึงใจยินดีหรือไม่ยินดีไม่ใช่อย่างนั้นการไม่ห้ามถ้าประกาศตาพิสุสมมุติว่ากราบไหวมาไหวแล้วไม่ห้ามไม่บอกว่าเรากำลังประพฤติวัดอย่างนี้ไม่ห้ามตรงนั้นเรียกว่ายินดีนะครับไม่ใช่หมายว่าเออมึงกราบกูก็ดีแล้วไม่ใช่นึกยังไงใจอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้น หมายถึงกิริยาที่ไม่ห้ามเรียกว่ายินดีนะครับในวินัยนี่ไม่ได้หมายถึงใจว่าเออมึงกล่าวก็ดีแล้วนะอะไรสาธุสาธุอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นนะครับการไม่ห้ามชื่อว่าการยินดีนะครับทีนี้ในอัตถกถานะครับอัตถกถาจะเริ่มเลยว่าปริวาชิกาขันทะเกปริวาชิกาติปริวาสังปริวัสันตานะคําว่าปริวาชิกะก็หมายถึงพิษุกําลังประพฤติปริวาทนะครับ คำว่าปริวาสิกะพิสูุนี่ปริวาสิกะหมายถึงภิกษุกําลังประพฤติปริวาทอยู่นะครับหมายถึงพิสูุกําลังประพฤติปริวาททีนี้ท่านกล่าวว่าตัทธาจตุพิโธปริวาโสนะปริวาในปริวาสเหล่านั้นปริวาสสี่ประการพิกษุผู้อยู่ปริวาทปริวาสนี่มีสี่อย่างนะครับหนึ่งอัปจิตอัปติฉันนับริวาทแล้วก็ปฏิฉันนับริวาทสุทันตปริวาทแล้วสมโธทานนบปริวาสนะครับปริวาท นะสีว่าหนึ่งสองสามสี่อา้าวสีก่อนนะครับท่านกล่าวว่าปริวาสมีสีก่อนนะครับตัฐาจะตุพิโธปริวาโสอ่าเสร็จนะครับตัฐาจตุพิโธปริวาโสนะครับตัฐาตัวนี้หมายว่าในในในปริวาสในปริวาสนั้นนะครับในอ่ตัฐาตัวนี้ในคําว่าปริวาส ในคําว่าปริวาสิกะพิสุนะครับในคําว่าปริวาสนั้นปริวาสมีสี่อย่างนะครับคําว่าปริวาสตอนแรกเขายกไว้เออก่อนอันนี้ผมไม่ได้เขียนมาปริวาสิกะปริวาสิกะตอนนั้นหมายถึงพิสุในปริวาสิกะนั้นปริวาสมีสี่อย่างนะครับปริวาสมีสอย่างคือหนึ่งอภิชันนาปริวาทสองปฏิชันนาปริวาสสาสุทันดปริวาสสี่สมโุทานาปริวาทนะครับสมธทานาปริวาส จะขยายนะครับต่อไปท่านจะขยายท่านขยายว่าทางขยายที่เอย่างอปติฉันนัปริวาะคือบริวาะชนิดไหนนะท่านก็บอกว่าอัปติฉันณัปปิวะนี่คือคือพวกคนที่เป็นเดรถัถย์เป็นต้นพวกเดรัถย์นะครับคือนอกศาสนาบุคคลนอกศาสนาจะเข้ามาบวชนี่หวังหวังจะบวชในธรรมวิ น, นัยนี้นะครับหรือจะอุปสมบทในธรรมวินัยนี้พิสูจต้องให้ปิวะสี่เดือนแก่บุคคลนั้นก่อนคือจะมาจูจ่ๆจะมาบวชเลยไม่ได้นะครับ อยู่จะมาบวชเลยไม่ได้ต้องต้องอยู่ปริวารสี่เดือนก่อนนะครับอยู่การอยู่ปริวารสี่เดือนนี้เรียกว่าอปติฉันนับริวารหรือติทยะปริวารก็ได้นะครับติทยะปริวารเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเลยดีกว่าปริวารที่ให้แก่เดรธีผู้หวังจะบวชในธรรมนัยนี้ชื่ออปติฉันนับริวารนะครับปริวารที่ให้แก่เดรธีชื่ออปติฉันนัริวารนะครับให้แก่เดรธี เรียว่าที่เรียกว่าสี่เดือนอ๋อตรงนี้ต้องตกไปนะครับถ้าเราได้ยินว่าปิทิยะปริวาทหรืออปฏิชันนปริวาสคือปริวาสที่สงให้ปริวาสสี่เดือนที่สงให้กับเดรัจฉีผู้จะบวชนะครับเดี๋ยวนี้ที่พระธรรมยุทธ์เขาใช้กันพอใครจะไปบวชเขาให้อยู่ปริวาสก่อนหรือไม่มันไม่เหมือนปริวาสให้ปริวาสว่าให้นุ่งขาวห่มขาวสี่เดือนบ้างหกเดือนบ้าง นะครับเขาเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับแต่จริงๆวิธีนี้วิธีนี้พุทธเจ้าให้อนุญาตให้ใช้กับเดรถัถย์เดรถัดรถยผู้นักบวชนอกศาสนาที่เขาเป็นเดรถัถยอยู่เลยที่นุ่งผ้าก็ดีไม่นุ่งผ้าก็ดีที่เป็นนักบวชใช่ไหมที่ลูกศิษย์ของมหาวิระก็ใช่อะไระมหาวิระนี่ บ, บาลี่าลอะไระนิคโครนนิคโครนนาถบุตรใช่ไหมครับพวกนั้นพวกพว ก, พวกครูเหล่านั้นนะครับ ที่มีลูกศิษย์ลูกศิษย์ของครูเหล่านั้นจะมาบวชนี่ต้องให้แต่แต่ในที่นี้ส่วนมากจะหมายเอ า, อาเดรัจฉีผู้นุ่งผ้าด้วยไม่นุ่งผ้าด้วยแต่นุ่งผ้านี่ส่วนมากประพฤติไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกับผู้ไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งผ้านี่เป็ น, เ ป, นเป็นทิฏฐที่ททรุนแรงมีมีความเห็นรุนแรงไม่ค่อยมีมาบวชคือไม่ค่อยสนทนาปอาศัยกับพระนะครับอย่างเดรัจฉีผู้นุ่งผ้านี่อย่างของพวกนี้คนบางพวก ของนี้คนมีสองสองอันเนียะครับนุงผ้ากับไม่นุงผ้าอพวกนุงผ้านี่ไอไอที่ไม่นุงผ้าก็ถือว่ากิเลสทั้งทั้งหลายมันอยู่ที่ที่ที่อย่างนี้นะพวกเครื่องนุงโฮมเครื่องอะไรต้องการนู่นต้องการนี่ก็เลยเล ย, เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่นุ่มมันซะกิเลสมันก็จะไม่มีมันอาศัยไม่ได้มันก็จะไม่มีหมายถึงงั้นกินอาหารก็กินอาหารก็กาารกถ้าถ้าใช้มือหยิบมือตัก กิเดสมันก็นอาศัยได้สั่งให้หยิบอันนู้นหยิบอันนี้ก็เลยไม่ต้องใช้ใส่ไปแล้วก็กินเลยใช้ปากงับเอาใช้ปากงับเอาเลยอย่างนี้อ๋อปริพภาชนี่บางอยังไม่เหมือนกันนางคุณทนเกษีก็ปริพภาชกใช่ไหมพวกนี้เรียนเรียนวาทะาไว้สำหรับทักถามมีเป็นพันพันข้อเลยมันจะโตตอบไอเหมือนกับในทิฏฐีหกสิบสองครับ บางทีพระตอบไม่ได้เลยครับพระบางองค์ตอบไม่ได้เลยตอบรัตทีนี้บางทีมีมีเหตุผลเกือบจะถูกบางอย่างนะครับมันแอแฝงอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยถ้าถ้าไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้าแล้วแก้ไม่ออกเลยบางทีแก้ไม่ได้พระบางองค์ไม่กล้ายอยู่เลยพวกนี้ไปถามแล้วตอบไม่ได้หยุดนิ่งเลยมีนะครับสู้ไม่ได้บางองค์สู้ไม่ได้เลยอย่างนางกุณฑลเกษีนี่กุณฑลเกษีนก็เรียนปริภาชกปริภาชิกาใช่ไหมเรียนเป็น ปัญหาพันหนึ่งพันข้อปัญญิงเรียนเกินกว่านั้นแต่ไอที่ข้อไว้สำหรับโตกับรัทิเททั่วๆไปเนี่ยพันข้ออย่างแบบเจ็บขาดเลยถาถามแล้วบางทีบางคนตอบไม่ได้นะครับผมเมื่อค่ได้อ่านในในปัญหานั้นมันมีปัญหาเหล่านี้มันแผงแผงถ้าเป็นของคนของบ้านเราเรียกว่าถามแล้วตอบแบบไม่ใช่ เออเปัญหาชาก็มีแล้วก็ที่มันมันไปข้างๆคูคูครับบางทีบอกว่าไ อ, ไอ้ชาวโลกเขาบอกว่าอี ก, กาดํามันบอกว่าขาวอีกาหนีขาวพอเขาพอมันถามว่าอี ก, กาดําหรือขาวคนคนจะตอบว่าดํามันบอกว่าขาวท่านทั้งหลายฟังคนคนนี้ตอบว่าอี ก, กาดําแต่จริงๆมันขาวเพราะข้างในกระดูกมันขาวอย่างนี้มันทะเลน้องมันไปอย่างนี้ครับทิฏฐิแบบนี้มี นี่เขายกมาเต้นเตนแต่จริงๆลึกๆไอทีในธรรมะมันมีมันมีมนมลักษณะคือดิ้นให้มันหลุดไปนิดหนึ่งนิดนึงเปาหนึ่งเบาะนึ่ง ป, งปกปิดบางส่วนของตัวเองไว้แล้วก็เอาชนะเขาด้วยวาทะครับเอาชนะด้วยด้วยด้ว ย, ว, ยวิธีใช้ตร ก, กะครับถามกลับไปกลับมาพวกนี้เก่งครับเก่งตะ ก, กะพวกนี้เก่งตร ก, กะนะครับ <S <S พวกนี้จะจะเรียนไว้สําหรับโต้กันจะเรียนไว้สาหรับซักถามคนอื่นแล้วก็ตั้งตัวเป็นปรมาจารย์หินมาเพราะชนะ คนมากๆคนก็มานับถือโอ้โหคนนี้ปัญญาดีเหลือเกินอะไรอย่างนี้ครับพวกปริพาชกเนี่ยปริพาชกปริพาชิกาเนี่ยพวกเดรถีพวกนี้บางคนนุ่งผ้าเหมือนพระครับผ้าสมัยก่อนอย่างเดียวกันด้วยบางทีมันหลงลืมกันแล้วหยิบกันไปหยิบมาไม่รู้ของใครเป็นของใครครับที่พระเจา้าอนุ ญ, ญาตให้พินทุทําเครื่องหมายทําลายเสียสีด้วยแล้วก็ทําเครื่องหมายด้วยเพราะเพะเพราะผ้ามันไปปะปนกับพวกเดรถีที่ชี้ใช้ผ้า นในผ้าประเภทเดียวกันเลยนะผ้าย้อมน้ําฝาดเหมือนเหมือนกันที่พุทธเจ้าก็มาให้ทําให้มันตัดอย่างนี้นะตัดตๆดซะไม่ให้หมันเหมือนด้วยแล้วก็พินทุ่ด้วยนะครับทําลายสัมผัสด้วยอะไรด้วยไม่ก็ทําคือทําให้มันต่างกับพวกเดรัจฉ์ที่นุ่งผ้าบางคนนุ่งเฉพาะข้างล่างบางคนนุ่งทั้งนุ่งทั้งหฮมนะครับบางคนได้ที่เอาผ้าผ้ามาคาดตรงนี้แล้วก็ปนัปนปนั้นปั้นมาเหน็บตรงนี้เหมือนกับพวกแคร็กอ่าเหมือนกับซิก ซิกที่เป็นนักบวชไม่ไม่ใช่ซิกชาวบ้านนะครับซิกนักบวชก็พันพันพันมาอย่างนี้มีเขาทาพิธีมีตรวจ ม, ม, ม, มีทานน้ามันมีออะไรอย่างนี้เลยถ้ามันมีความสามารถเป็นได้แต่หมายถึงเวลาทำพิธีกรรมไอคนนี้ต้องทําแล้วก็นอกเวลาก็ไปเป็นพ่อก็ได้เป็นเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกับเหมือนกับบาทหลวง มันกับบัตรหลวงเวลา ท, ทําพิธีกรรมก็แต่งชุดพิธีกรรมนะครับเวลานอกวิธีก็ไม่ไม่ใช่ที่ในกลาลำเปิลมีที่ทำใหญ่ๆเป็นถ้ำของซิกเลยเป็นของยิ่งใหญ่เลยแต่โชโปกก็มีน้ํามันพาน้ํามันตัวดํามูม ม, มันแล้วก็มีเคาะอีกคนนึงก็ไปสั่นกระดิ่งอีกคนหนึ่งก็เคาะแล้วก็สวดกันคนที่มาก็ไปนั่งนั่งฟังแล้วก็จ่ายเงินกับ ทำมงคลเหมือนกับของเราที่พระชอบเสด็จเคาะอะไรลักษณะเหมือนกันครับไม่แตกต่างอะไรกันลักษณะไม่แตกต่างกันเลยเกี่ยวกับพวกเสด็จเคาะต่อชาตาเสริมราศีอะไรพวกนี้ไม่แตกต่างกับาราธิพวกนี้เลยถ้าเราไปเห็นแล้วโอ้มันมันอันเดียวกันเลยมันเหมือนเหมือนกันเพียงแต่คําสวดคําอะไรอาจจะต่างกันไปเพราะเพราะการพัฒนาออกไปใช่ไหมครับแต่วิธีการหลอกลวงนี่เหมือนกันเหมือนกันไม่แตกต่างครับไม่แตกต่างเลยเราอยู่อย่างนี้เราไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไหม ถ้าเราไปต่างถิน่นเราไปในถิ่นของเขาเราจะเห็นว่าโอ้เขาเราอาจจะเอาของเขามาก็ได้เรามันมันมันซึมเข้ามาแล้วมันง่ายต่อการปร ะ, ประพฤติของของผู้ผู้ผู้จะหลอกลวงในง่ายอ่ามันถูกกิเลสเราจะพูดไปยังไงก็ ก, ก็ก็มันก็ถูกกิเลสคนคนก็ชอบอย่างนี้วิธีการเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับในท่านบอกว่าในในปริวัติกะขันธากะนี้นะครับ พุทธเจ้าไม่ประสงค์เอาปริวัติอันนี้นะครับเกี่ยวกับเดรัจฉีนี่เดี๋ยวจะเอาเฉพาะสามปริวัติที่เหลือข้างหลังท่านจะอธิบายข้างหลังไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วหมดไปเลยไม่เกี่ยวกับพวกภิกษุใช่ไหมครับเอาปฏิชันนัปริวัตินี่ไม่เกี่ยวกับปริวัติที่เกี่ยวกับภิกษุเพราะเกี่ยวกับเดรัจฉีที่จะเข้ามาบวชอย่างเดียวพุทธเจ้าไม่ประสงค์เอาในที่นี้ที่นี้พุทธเจ้าจะอธิบายสามปริวัติที่เหลือนะครับที่จะต้องประพฤติกัน ที่จะมาขอบวชอย่างเมื่อก่อนเขานับถือศาสนา ค, คริสจะมาขอบวชในพุทธศาสนาเราจะต้องให้เขาอยู่ไปวาดก่อนไหจริงๆแล้วควรให้อยู่ก่อ น, ค ร, ออนครับเพราะเป็นนอกาศาสนาอันนี้ท่านยกเดร์ธีขึ้นมาเป็นเป็นเป็นประมาณเพราะในสมัยนั้นใกล้เคียงใกล้ชิดกับเดรธีบิณฑบาตจะเจอกันบางทียังไม่ได้เวลาก็เลยเข้าไปสํานาของเขาแล้วก็คุยกันก่อนอย่างนี้เขาเริ่มใส่แล้วเขาก็จะมาบวชทั้งๆที่เขาเริ่มใส่แล้วนะครับจะมาบวชต้องต้องมาอยู่ดูก่อน ว่าของเราไม่เหมือนกับของท่านนะอดูก่อนอยู่อย่างนี้อยู่ได้ไหมของเราไม่ได้ถอนผมนะ อ, อยู่อย่างนี้นอนออในที่นมนมนมนิ่มๆบริโภคกามไม่ได้ของเขาบางที่บริโภคได้ใช่ไหมบางคนครับบางคนก็ถืออย่างนั้นบางคนก็ถือทําตนให้ลาบากบางคนทําทําตนให้เกี่ยวเนื่องกับการใช่ไหมครับเพราะนั้นเธอจะมาอยู่ดูก่อนอยู่ประพฤติอย่างนี้ก่อนประพฤติแล้วก็ดูพระไปสี่เดือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับพวกรัฐที่อื่น ควจะทําอย่างนี้ครับเพราะนี้ยกยกระธีเป็น<ม>เป็นประธานอ่าเป็นประธานเพราะสมัยนั้นอยู่ใกล้กันใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นในรัฐที่อื่นๆก็ควรทำท่าไม่ให้อยู่มีาอย่างนี้ครับครับสุภัทปริภาชกเจไหมครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่สําเร็จมาแล้วไม่ต้องอยู่ครับฟังทำแล้วสําเร็จแล้วจะบวชไม่ต้องมามามาขอมามาให้ปริวาิอีกไม่ต้องหมายถึงผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้สําเร็จอะไรเลยครับไม่ได้สําเร็จอะไรเลย แล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประกาศตนเป็น อ, อะไรอุบาสกไม่ได้ประกาศตนถึงพระรัตนนาไตนะครับเพราะเพราะมันมีเรื่องเวลามาบวชแล้วบางคนก็บวชเข้ามาแล้วก็สรรเสริญสรรเสริญลัทธิของตัวเองที่เคยเคยประพฤติมาแล้วก็ติเตียนติเตียนพระเจ้าพระธรรมประสงค์นะครับบางคนก็ไม่ได้ถึงกับติเตียนหรือสรรเสริญแต่พอเขา ตีเตียนละที่เดียวลถีก็ไม่พอใจขัดใจเขาบางคนได้ยินคำสรรเสริญพุทธพรธาหมณระสงฆ์ก็ขัดใจเลยปฏิบัติอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องบอกว่าจะเข้ามาบวชต้องต้องอยู่ปริวาติก่อนสี่เดือนนะครับอยู่ดูความประพฤติของพระสงฆ์พระสงฆ์ใช้นู่นบางใช้นี่บางทามนู่นทํานี่ทําให้ดูแล้วว่าเธอจะทําตามอย่างนี้ถ้ า, ถาเมื่อเมื่อไหร่บางทีกําหนดสี่เดือนนี่ไม่ไม่ใช่แน่นอนอย่างนี้นะครับดูจนว่าอ้าวเมื่อ เมื่อมีคนสันเตือนพุทธธรรมสงค์แล้วเขาก็ฟังได้ยินดีพอใจแล้วในขณะเดียวกันได้ยินคนติเตียนเดือดถีก็ไม่ไม่เดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อนในขณะนั้นแล้วก็ให้บวชได้แล้วบางทียังไม่ถึงสี่เดือนทิศทีความเห็นเก่าๆของเขาที่เห็นผิดนั่นแหะเขาทิ้งความเขาเลิกละแล้วเลิกละได้แล้วแล้วก็มีความเห็ น, นคอยตามเอกคือตรงตามในพุทธศาสนาแล้วก็อนุญาตให้บวชได้นะครับ มันก็มีข้อสงสัยอยู่อีกครับครับมีศรัทธาถึงขั้นจะมาขอบวชแล้วนี่แค่แค่ตรงนี้ทําไมต้องขัดเครืองเลยไม่ไม่ไม่อ้าวบางทีมันก็ได้ฟังใหม่ๆมันก็ศรัทธาบูมบ้าๆเกิดขึ้นมันก็ศรัทธาได้ใช่ไหมครับชอบใจแล้วแต่พอมาถึงเอ้ใครเทศที่ไรหรือได้ยินใครอุบาสก อ, อุบาสิ ก, กาก็ดีพระสงฆ์คุยกันไงนี่มีแต่ว่าเนี่ย ถ, ถีไว้มีแต่ว่าพวกเราไม่ดีไ อ, ไอไอลึกๆมันยังมีอยู่ใช่ไหครับมันมันไม่พอใจไม่พอใจก็ไปโตอย่างนี้ ไม่พอใจก็ทําไมไปว่าเขาอย่างนี้ความจริงเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปพยายามอยากจะอธิบายนะครับพยายามอยากจะอธิบายลัทธิของตัวเองอย่างนี้ก็ยังบวชไม่ได้ยังบวชไม่ได้ใช่ครับอันนั้นก็มีส่วนนะมีส่วนแต่พุทธเจ้าประสงค์ว่าเวลาเขาบวชแล้วเขาจะได้ได้ประโยชน์ในการบวชถ้าถ้าให้บวช ด, ดืนกันไปหมด เมื่อเมื่อในขณะที่รัดที่ของตัวเองว่าพืชความเป็นอยู่เป็นไปได้ยากในถิ่นที่เป็นไปได้ยากคือหาอาหารได้ยากพุทธศาสนาหาได้ง่ายก็หันกลับมาบวชทางนี้พอทางนี้หาได้ยากก็หันกลับไปบวชเขาเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้ป้องกันตรงนี้ไปไปม า, มาแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรเลยแล้วก็บางทีเข้ามาแล้วก็พอพอเข้ามาแล้วพุทธศาสนาลําบากของเขาบางทีถ้าเกิดลําบากกว่าขอก็ไม่ได้ เ, เดินในถิ่นก็ขอได้ใช่ไหมครับไปพูด ให้คนไปพูดชักจูงคนมาทําบุญกับตัวเองก็ได้หรือให้คนมานิมนต์ตัวเองก็ได้แต่ในพอมาณในศาสนาพุทธเจ้าอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามก็เลยเกิดอึดอัดไม่พอใจบวชได้ไม่นานเดี๋ยวก็สึกไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ไปเที่ยวโฆษณาพุทธศาสนาเที่งคัดเกินไปอนู่นอันนี้โจมตีอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะนั้นพุทธเจ้าทรงป้องกันตรงนี้ป้องกันตรงนี้ไว้แล้วไม่ให้บวชไม่ให้บวชเลยต้องอยู่ให้ดูความประพฤติจน จนจนเขาละทิฐิเดิมแล้วก็มีความเห็นตรงตรง้องตามพุทธศาสนาแล้วก็ให้บวชได้นะครับมีพระอย่างของธรรมยุทนธะ์อาจารย์อาจารย์ธรรมโอชาบุตรของเราจริงๆมันเป็นพุทธศาสนาโดยสายเลือดเลยปู่ย่าตายายก็เป็นมาคือเชื่อในพระพุทธธรรมสอสงุทธ์จะไม่ถึงกับพระโสดาบันก็จริงแต่แต่ลึกๆมันมีอยู่อย่างนี้มันถูกปูกฝังกันมาอย่างนี้แล้วไม่ต้องมาอยู่ปริวาิก่อน ขอมามีสัญญาขอบวชบวชเลยครับบวชได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกาวเวลามาบวชก็ไม่ต้องกาวตนเป็นพุทธมามะกะมันเป็นพุทธในสายเลือดเลยไอที่จะเป็นพุทธมามะกะหมายถึงพวกคราพวกอะไรใช่ไหมครับมาถึงมาประกาศตัวเลยว่าข้าขอเป็นพุทธมามะกะยอมรับนับถือพระเจ้าพระธรรมเพราะเมื่อก่อนเขาไม่ได้ยอมรับแต่นี่มันคลอดออกมาแล้วก็พ่อแม่สอนมันเลยมันมันยอมรับโดยโดยโดยในเลย นะครับมันยอมรับโดยไหนมาตลอดเลยอย่างนี้ไม่ต้องประกาศอย่างเราเรียนธรรมศึกษาใช่ไหมรหรือเราสอนธรรมศึกษาจะมีอ่านักเรียนทั้งหลายประกาศตนเป็นพุทธมารมากหรือก่อนจะไปต่างประเทศให้ประกาศตนเป็นพุทธมารมากทั้งที่มันเป็นอยู่แล้วครับมันเป็นอยู่แล้วของไทยขออคดีพ ม, ม่าลาวเมียนอะไรพวกมันเป็นโดยสายเลือดนอกเสียจากคนที่ยังไม่ได้เป็นครับแล้วพ่อไม่หันกับเข้ามานับถือโอ้ก็อยากให้ลูกนับถือบ้างก็ก็อย่างนี้ประกาศได้ ทำไมเรียนมหนึ่งแข่เทียนไปเข้าพรราที่วัดเขาถือโอกาสนั้นให้แสดงแสดงจ น, <อ>น<ม>เป็นพุทธมามะกะครับในหนังสือเขามีอย่างนั้นเขาเขาแนะนําไว้อย่างนัน้นจริงอย่างนี้อาจารย์บอกแนะนําผิดไม่ถูกเพราะเรามันเป็นโดยสายเลือดเลยถ้าเกิดมันถามว่าเอาแล้วตอนยังไม่ได้แสดงไม่ใช่พุทธมามะกะหรือไม่ใช่หรือพ่อแม่เราไม่ใช่พุทธมามะกะหรือถ้าเกิดเขาถามว่างี้เราจะตอบว่ายัางไงสมมติเราพระไปสอนอยู่ใช่ไหย ว่าใช่แต่ให้เพื่ออะไรให้แลมันเราก็ออกเบียงเบียงไว้อย่างนั้นเองใช่ไหมไอ้อแสดงนี่หมายถึงเรายังไม่ได้เป็นแล้วก็แสดงประกาศตนว่าเป็นตั้งแต่นี้ไปเราเป็นพุทธมารกะอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเปรียปริวาหรืออปติชนะปริว า, ออวาในปริวาทั้งสี่นี้ปริวาสนี้ข้อที่หนึ่งนี้พุทธเจ้าไม่ประสงค์จะแสดงในในในปริวาสิกาขันธกะนะครับคือแสดงแค่นี้มันหมดเลยหมดที่จะอธิบายเลยต่อไป ไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์แล้นะครับข้อนี้ไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่จะต้องปฏิเสเกี่ยวกับเฉพาะเดียวฤาษีเทนั้นเพราะฉะนั้นอธิบายแค่นี้หมดเลยในอัตถ า, าก็ไม่ต้องอธิบายต่อไปเลยนะครับไม่ต้องอธิบายใหม้มันมากความเลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับปริวาสสามอย่างที่เหลือนะครับคือปฏิฉันนปริวาสคดีสุทันนปริวาสคดีสโมโุทานปริวาสกดีเป็นปริวาสที่พิกจุต้องอาบัตสังอาธิเศษนะครับแล้วปกปิดไว้ อ, อาบัตสังฆธิปปปปเตออศต์แล้วปกปิดไว้แล้วส่งให้ปริวาส3อย่างนี้นะครับต้องปกปิดหมดเลยปฏิชันนั้นริวาสสุดทันนั้ริวาสสมโอทานั้ริวาสนี่ต้องอาบัตสังฆธิเศต์แล้วปกปิดไว้แล้วส่งให้ปริวาสปริวาสเหล่านั้นจึงชื่อว่าปฏิชันนั้ริวาสสุทันนับริวาสสมโถานั้ปริวาส ม, าวามันจะแยกออกไปโดยลักษณะละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในรวส่วนรวมนี่หมายถึงต้องต้อ ง, อ, งอาบัตสังฆธิเศต์ข้อใดข้อหนึ่งใน13ข้อแล้วปกปิดไว้นะครับ ข้อใดข้อหนึ่งในสิบสามข้อแล้วปกปิดไว้เข้าไปขอกับสงฆ์แล้วสงฆ์ให้ปริวาตนะครับจึงชื่อว่าปฏิชันน้ำิวาตกดีสุทันน้ำปฏิวัตกดีสุโมทาน้ำปฏิวาตกดีนะครับสามข้อนี้จะเราเราจะเรียนสามข้อนี้เป็นลําดับไปนะครับพุทธเจ้าหรือในเอกสาก็จะยกเอาแค่สามอย่างนี้มาอธิบายในในในในเกี่ยวกับปริวาติกวัติกถานี้หรือปริวาติกะขันธกะนิจะอธิบายเฉพาะสามข้อนี้นะตามลําดับไป เขาจะยังไม่อธิบายทีละข้อที่เอเเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับไม่อธิบายลงมาเขาจะมาบอกก่อนว่าปริวาสนี่ปริวาสวัดคือข้อที่พิกสุจะต้องประพฤติก่อนว่ารวมๆไปก่อนเดี๋ยวข้างใต้สามอย่างนี้จะไปสรุปทีหลังว่าปฏิันนะคือปริวาชนิดไหนสุทันตะคือปริวาชนิดไหนแล้วก็สมโอธานะคือปริวาชนิดไหนตอนนี้จะรู้ว่ารวมถึงปริวาสก่อนคำว่าปริวาสพิสุปริวาสภิกสุประพฤติปริวาสนั้นต้องประพฤติอย่างไรก่อน วรวมรวมๆไปหมดทั้งสาอย่างเลยนะครับยังไม่แยกแยะนะครับยังไม่แยกแยะก่อนที่เมคืนนี้ท่านกล่าวว่าไม่ปริวัติที่ท่านโจทย์กันขึ้นมาว่าเพราะยินดียินดีการให้การการไหวการรับการอันตรีกันสามิญจีการอะไรนั้นท่านจะจะว่าต่อตรง น, นั้นก่อนเลยต่อไปเลยนะครับท่านท่านว่าต่อไปเลยว่าพอพอพิสูุยินดีอย่างนั้นแล้วยินดีคือการไม่ห้ามนะครับอัตถะบอกว่ายินดีคือการไม่ห้ามอย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าว่าตีเตียนติเตียนแล้วก็บัญญัติ บัญญัติหรืออนุญาตอนุญาตข้อวัดที่ภิกษุปริวาสพึงพึงกระทำพึงเว้นด้วยพึงกระทํำด้วยสองอย่างนะครับข่าววัดหมวลที่หนึ่งนี่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสพึงประพฤติชอบท่านบอกไว้แค่นี้พึงประพฤติชอบแล้วพุทธเจ้าว่าขยายคําของพระองค์เองว่าประพฤติชอบนั้นอย่างไรนะครับต้องประพฤติชอบแล้วก็ประพฤติชอบนั้นอย่างไรคืออยู่ปริวาสไม่ไม่ควรให้อ right <pet> ุปสมบทคือไม่ควรเป็นอุปชานะครับ หมดที่หนึง่งอันนี้เราไปอาจะอ่านให้ฟังเลยนะไม่พึงเป็นอุปชาให้ประสมบทไม่พึงเป็นอาจารย์ให้นิสัยให้นิสัยนะครับมาให้นิสัยเข้าใจไหมอาจารย์เข้าใจเป่ะครับให้นิสัยเหมือนกับเวลาพระที่ยังไม่พ้นนิสัยมุนิกะยังยังไม่มีความรู้ด้านธรรมวินัยแล้วก็ยังพรรษาไม่ถึงไม่ถึงไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกินห้ายังพรรษาอยู่ในห้าใช่ไหมครับต่ำลงมา ต้องถือนิสัยคือต้องอยู่กับอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งหรืออยู่กับอุปชาเมื่อมาอยู่กับอุปชาต้องอยู่กับอาศัยอาจารย์เพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยอย่างนี้ยอมตนเป็นลูกจิตอย่างนี้เรียกว่าการถือนิสัยเพราะนั้นอาจารย์องค์นั้นชื่อว่าให้นิสัยนะครับให้อยู่ให้อาศัยให้ลูกจิตอาศัยอยู่ด้วยคําสั่งสอนอย่างนี้เรียกว่าให้นิสัยนะครับให้นิสัยคนคนที่จะถือนิสัยต้องเข้าไปขอขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าอาจารย์เออเราไม่หนักใจ นะอย่างนี้ก็ดีหรือ่าได้ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ถือว่าให้อนุญาตแล้วนะครับอนุญาตให้อยู่อาศัยแล้วเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่พึงเป็นอาจารย์ผู้ให้นิสัยนะครับแล้วไม่พึงให้สำเนินมาอุปถากให้สำเนินมาคอยรับใช้ก็ไม่ได้นะครับรับใช้ก็ไม่ได้เวลาได้รับสมมติสอนนามพิสุณีแล้วก็ไม่พึงรับนะไม่พึงรับการสมมติที่จะให้สอนโน่นสอนนี่แล้วเมื่อได้สมมุติแล้วก็ไม่ควรไปสั่งสอนอีกถึงได้สมมุติอยู่ก่อนแล้วต้องอบัตใช่ไหมครับ ได้รับสมมุติเป็นผู้สั่งสอนนางวิสุทนี้แต่ในขณะที่ต้องอับัตบแล้วไม่ควรไปสอนทีนี้นะครับสวงให้ไปรุวาเพื่ออับดับชนิดใดไม่ควรต้องอับัตบชนิดนั้นอีกหรืออับัตบคนละข้อกันแต่เหมือนกันเช่น like อบับดับสังฆติเศษข้อที่หนึ่งให้ไว้ก็ไม่ควรต้องข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ควรต้องอับัติที่เร็วกว่าเร็วกว่าท่านจะอธิบายว่าอาบดับอะไรเร็วกว่าอาบดัอบอับดับอะไรเร็วกว่าสังฆติเศษหรือลำมอกกว่า ก็ท่านก็บอกว่าปาราชิกไม่ควรไปต้องนะครับเพราะนั้นมันจะเริ่มตั้งแต่ทุพภาสิตท่านว่ามันเร็วกว่ากันไปเรื่อยๆแต่ในที่นี้หมายถึงสังคติเศสกับปาราชิกเห็นไหมครับทุพภาสิตก็เร็วแล้วทุกกฎเร็วกว่านั้นอีกท่านบอกทุกกฎก็เร็วแต่อะไรอ่ะทุกกฎไอ้ทุพพาสิตทุกกฎปฏิเทสนิยะเร็วกว่านั้นอีกปจิตีเร็วกว่านั้นอีกไอ้ทุไอุ้ระใจเร็วกว่านั้นอีกนะแล้วก็สังคติเศสเร็วกว่าทุละใจ แล้วก็ปราดชิคเล็วกว่าเล็วกว่าสังฆทิเสดีคือรามากว่าหยาบหยาบคลายกว่าอะไรอย่างนี้ท่านจะประสงค์ออย่างนั้นนะครับไม่พึงต้องอย่างนั้นันทีนี้มาถึงข้อที่ ท, ที่ที่สงสัยนะไม่พึงติกรรมที่ท่านรถเคยถามไว้นะครับมไม่พึงติกรรมอาผมจดไว้แล้วะที่ที่ท่านรถเคยถามที่นู่นใช่ไหมครับที่วัดมหาชลอไม่พึงติกรรมในในใน ในสมัญตะท่านจะขยายนะครับคําว่ากรรมคืออะไรนะครับคําว่ากรรมคืออะไรเพราะในบาลีจะไม่มีนะครับว่ากรรมคืออะไรใช่ไหมครับอาจารย์ถาจึงยกคําว่ากรรมตรงนี้มามาอธิบายเสร็จแล้วก็อธิบายเอ๊แล้วก็แนะเอ๊ชี้แจงว่าติดยังไงนะครับติเตียนยังไงกรรมนี่ใช่เราไม่ได้ให้ให้เขาอุปถาดใช่ไหมครับแต่เขานี่มาอุ ป, าอปถาดเองอุปถาดเองอ่าต้องนั่น น, นถ้าเขามาอุปถาดเองแล้วเราก็เฉยเฉยนั่นเรียกว่ายินดีแล้วครับ ยินดีในสามัญณโลภะถากล่ะต้องห้ามห้าที่บอกว่าคำว่าไม่ยินดีในที่นี้คือไม่ห้ามถ้าห้ามเมื่อไรก็ไม่ยินดีเพราะถ้าเราไม่ห้ามสามัญณไม่รู้ว่าเรายินดีหรือไม่ยินดีรู้ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีกิริยาอาการออกไปว่าไม่ยินดีต้องห้ามเพราะฉะนั้นคำห้ามคือไม่ไม่ยินดีถ้าไม่ห้ามก็แสดงว่ายินดีในที่นี้ในวิ่งไหนี้นะครับใจจะยินดีหรือไม่ยินดีไม่รู้แต่ทําให้ห้ามยินดีแล้วครับ ยีแล้วก็เร น, นเอาอะไรมาถวายอะไรอย่างนี้เราก็รับเลยเชื่อว่ายินดีแล้วครับยินดีแล้วต้องห้ามครับทุกอย่างเลยพอเขาเข้ามาเอาน้ํามาถวายก็ดีเอาอาถนะมาปูให้ก็ดีเอาที่ล้างเท้าเอาที่เช็ดเท้าเอาน้ําล้างเท้าเอาอะไรอะไรพวกนี้มานะครับถึงเรนนั้นพระนั้นจะเป็นสัตธิวิหารฤกษของเราคือเป็นลูกศิษย์เราต้องบอกว่า เน้นหรือพระเวลานี้เรากําลังทําวินัยกรรมอยู่นะ <iz Everyone> เราไม่ต้องบอกว่าเราเข้าไปว่าเราใช้คําว่าทําวินัยกรรมอยู่เรากําลังทําวินัยกรรมอยู่ <iz everyone> เธอไม่ต้องมาอุปถากรเราหรอกต้องห้ามอย่างนี้แล้วเมื่อห้ามแล้วเขารู้ละความแล้วว่าเรากําลังทําวินัยกรรมแต่เขาก็บอกว่าอ า, อาจารย์นะอาจารย์ทำวินัยกรรมก็ทําไปแล้วหรือหลวงพี่ทําวินัยกรรมก็ทําตามของพี่ไปแต่พอวันลุกขึ้นเขาก็เอามาอีก อย่างนี้ชื่อว่าเราห้ามแล้วตั้งแต่ห้ามแล้วไปนั่นไม่เป็นอาบัติครับไม่ต้องอาบัติทุกกฎไม่ต้องอาบัติทุกกฎแต่ถ้ายังไม่ได้ห้ามเลยเข้ามาให้กระเชยรับเช ย, เ, ยเอามาห้ามก็อ่ะดีเอา้เอาขอบใจนะอ่ะเอาน้ํำมาขอบใจนะอย่างนี้อย่างนี้ยินดีแล้วครับตอนนั้นต้องอาบัติทุกกฎไปเรื่อยๆที่ใช้ของนั้นอะไรครับไม่ได้ไม่ได้เสียครับไอ้ข้อนี้ประพฤติชอบ น, นี่คือคือไ อ, อ, อ้วัดนี่คืออะไรล่ะที วัตถุเพศนี้คือต้องเอาบัตรทุกกฎครับคือขอกอาจาอีกวันนี้ก็ทําอีกพรุ่งนี้ก็นําอย่างนี้ไม่เป็นแล้วครับถึงถึงเราเข้าไปวัดใช่ไหมครับเราก็พฤ่งบริวาดอยู่อปลอกพระกมาถึงไหว้กันจนชินอยูะครับเดี๋ยวก็สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับหลวงพี่อ้าวกราบบ้างไหวบ้างเอาโน่นเอานี่มาให้บ้างถ้าเราห้ามเขาไปครั้งหนึ่งแล้วเขายังทําทําอยู่อีกแล้วเขาก็พูดว่าอาจารย์ก็ทําไปแล้วกันวินัยกรรมส่วนของอาจารย์ไม่เกี่ยวกับผมแล้วเขาก็ทําของเขาอย่างนี้ไม่ต้องเอาบัติแล้วครับ ไม่ต้องอาบัตแล้วนะครับหมายถึงการไม่ยินดีแล้วครับแม้ยินดีเพราะเพราะไ อ, อ, อ้ตรงนี้ไอ้อาบัตทุกกฎมันห้ามในใจไม่ได้ใช่ไหมครัมันไม่ได้เกี่ยวกับใจใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใจเกี่ยวกับกิยาการห้ามหรือไม่ห้